มหาการุณิ์กนาโธผู้เป็นทีท่พึ่งต้องสัตตปรกะกอบแพร่ร ว, วยมหาการุณาอิตายาภปปานินำพุลเลตะวาปารามีสัพภายังปารมีทั้งลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แก่สัพพสัตร์ทั้งลาย ต, ตัโตัสัมโพธิมุตตมังถึงแล้วซึ่งความตัสจะรู้อนุดมเอเตนสาสาาาาาวัจเจนาด้วยคำศาสตร์นี้โอตุเตทยมังตะลังขอใจมงคลจงมีแก่ท่าน ชัยยานตวะปิยาโมเลสัง i ัยนังนังติวัตโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิชัยานสุชยมังกะเลอาปาราจิตาบาลังเกษิเสปตาวิตกะเลอาภิเสเกษาปะปุญานังอาตปัโตปโมติ พระพุทธเจ้าทรงพระชนมา น, นาคนโภเพื้องความเป็นผู้ชนะแล้วทรงบันเทิงอยู่ในอภิเศกแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงให้เจริญความยินดีแก่พวกสักยราชว่าพระองค์ชนะมานาบรลาชิตบาลังอ่านเป็นชัยมุคกเนื้อใบบัว ชือปจัจพีเป็นประธานชั้นใดขอท่านจงเด็นผู้ชนาชนั้นสุนากาตังสุมังการาังสุป่าภาตังสุหุติตังสุขโนนสุมาหุตโตจะสุยตังปราม จ, จาริสุประธานที่นั่งศายตั้งลายกระพื่อชอดในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าฤกตี มงคลดีสว่างดีรุง่งมีแลงถนดัดีครูดีบูชาแด้าดีนายพรหมมจารีบุ้คนทั้งหลายกายกรรมบางกายกรมยกรมเป็นตาักสินส่วนเบื้องขวาวาจาตรรมบางตาักกินางวาทีกรรมเป็นตาตาสินส่วนเบื้องขวา ปัตากินามโนกรรมังมโนกรรมเป็นปัตตสินส่วนเบื้องขวาปณิทิเตปัากินาความปรารถนาของท่านเป็นปัตตสินส่วนเบื้องขวาปัากินานิจตตวานะธาตทั้งหลายตากรรมบานเป็นปัตตสินส่วนเบื้องขวาธาบานตาเทปัตตากินเน ย่อมได้ประโยชน์ทังายอันเป็นประทักสินส่วนเบื้องขวา